จ้าแหลวงพอเจริญพรญาติโยมสาวุกชนทุกท่านวันนี้พวกเรามาร่วมทำพิธีสือชาตา บ, บืนทะเลตีดอกทำไมพวกเราก็มาสือชาตาก็เพราะว่าปืนทะเล น, บบ น, เลนของพวกเรา ตำลังประสบภัยทุกทางที่พวกเรามาสื่นตาไม่ใช่เพราะว่ารู้อยู่แใ จ, ใจว่ามีทะเลกำลงังถูกภัยทุกทางแต่เป็นเพราะว่าเรายังมีความรู้สึกผูกพันบดวงใ่ คนเราเนี่ยถ้ามีความผูกพันห่วงใจสิ่งใดและรู้ว่าสิ่งนั้นกำลังผูกภันทุกขามเราก็อยู่เฉยไม่ได้และที่เรารู้สึกผูกพันห่วงใยมีสันึกรักบึงทะเล<อ>ก็เพราะว่าบึงทะเลนั้นเนี่ย เป็นสิ่ฐานบ้านเกิดของเราแล้วก็มีบุญคุณกับเราคนเราเนี่ยเมื่อเติบโตถือกำเนิดและเติดโตที่ใดก็ตามถ้าเป็นคนนะันถ้าเป็นมนุษย์ก็จะรู้สึกสำนึกในบุญคุณ แผ่นดินเกิดเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่ามาตกภูมิมาตกภูมิแต่นี่ได้ว่าแผ่นดินแม่ความหมายหนก็คือว่าเป็นแผ่นดินที่แม่ของเราได้ถือกําเนิดเติบโตมาหรือผู้่อน่เป็นแผ่นดินของพ่อแม่ของเราอีกความหมายหนึ่งก็คือแผ่นดินที่เราถือเป็นเหมือนแม่คนไทยเราเนี่ย มีความผูกพันกับธรรมชาติสองเรืในบุญภกษธรรมชาติเราเรียกแม่น้ำว่าแม่คงคาเราเรียกผืนดินว่าแม่ธรณีแล้วก็เป็นบ้านเกิดเราก็เรียกว่ามาตรภูหรือแผ่นดินแม่อันนี้เป็นเป็นจิตวิญญาณนะของคนไทยที่เรามีความกตัญญูรู้คุณ แผ่นดินเกิดรวมทั้งมีความกตัญญูรุกคุณธรรมชาติซึ่งคนไทยถือว่าเป็นเหมือนแม่ที่สองของเราธรรมดาเราก็ต้องมีความกตัญญูต่อแม่และนอกจากแม่ที่เป็นคนนะธรรมชาติก็เป็นแม่ของเราด้วยที่ หล่อเลี้ยงเราให้กำเนิดเราเลียงดูเราอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราดื่มหรือแม้แต่เลือดของแม่ที่มาเลี้ยงเราตอนที่เราจะอยู่ในคังผ่านสายรบทั้งหมดนี้ก็มาจากธรรมชาติอาหารที่แม่กินและเลี้ยงดูเราในท้องก็ล้แล้วแต่มาจากธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าธรรมชาติเป็นแม่ที่สองของเราแล้วพวกเราเฉพาะ่อที่นี่ก็มีความผูกพันกับทะเลรวมทั้งธรรมชาติที่แวดล้อมเราถือว่าเป็นแผ่นดินเกิด <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนั้ น, นก็ต้องมีความรักความหงุงใยความผูกพันเมื่อเราพบว่า แทนดิสแม่หรือว่าธรรมชาติที่เลี้ยดูเราถูกใครบุกคา่านะเราก็ไม่ควรนิ่งเฉยนะก็ควรที่จะลุกขึ้นมาปกป้องและการที่เรามาร่วมทำพิธีสุบชาตาอันนี้ก็เป็นการปกป้องอย่างหนึ่งโดยอาศัยประเพณีวัฒนธรรมไทย เป็นกานสื่อตาซึ่งที่จริงก็คือการร่วมแรงร่วมใจผลิงกำลังเพื่อที่จะดูแลรักษาธรรมชาติแผ่ดินเกิดของเราแล้วก็เป็นาการตอกย้ำสอนยึกว่าธรรมชาติแผ่ดินเกิด น, นี่มีบุญคุณกับเราแลวเป็นสิ่งที่เหมือนกับมีชีวิตไม่ใช่เป็นแค่ นะ้ำก้อนหินผืนดินที่เป็นแค่สิ่งไร้ชีตคนไทยเราเนี่ยเมื่อเราดูกับสิ่งใดเราปลูกพันกับสิ่งใดเราจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นมีชีวิตต้นไม้ลำห้วย ภูเขาแผนดินล้วนแต่มีชีวิตและชีวิตเนี้ยก็สามารถจะสืบต่อหรือยืด อ, อายุให้ยืนยาวได้อันนี้เป็นสิ่งที่คนสมัยใหม่ไม่เข้าใจเพราะเขาคิดว่ามันเป็นแค่วัตถุ แผ่นดินก็ประกอบไปด้วยดินหินแร่ธาตไม่มีชีวิตลำห้วยก็เป็นสัตว์แต่วนน้ำวิทยาศาสตร์ก็ว่า H2O ไฮโดรเจนกับออกซิเจนไม่มีชีวิตต้นไม้ก็เป็นสัตว์แต่ว่ซุงที่รอการตัดเพื่อเอาไปขายเอากรไรเวลาก็เห็น ปลาเห็นสายเช่นเห็นปลาช่อนเขาก็นึถึงแก๊สซ่านะคนไทยเราเวลาเห็นปลาช่อนเนี่ยเราก็นึกว่าเออเป็นเป็นพี่น้องกันนะใครที่จําเรื่องปลาบู่ทองได้เนี่ยจะจําได้ว่าคนไทยเวลาเห็นปราปลาบู่เนี่ยนะจะนับยากกันนะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสมัยก่อนนะที่รู้สึกว่า สิ่งทั้งวงที่รอบตัวเราเมีชีวิตแม่น้ำมีชีวิตทะเลหรือบึงมีชีวิตภูเขาก็มีชีวิตจึงเกิดประเพณีสืบชะตานะเพื่อรักษาให้อยู่ดิงยาวแต่ชะตาของธรรมชาติพื้นแผ่นดินและบึงทะเลเนี่ยจะ อ, อยู่ได้หรือไม่เนี่ย มันไม่ได้ที่พิธีกรรนะมันอยู่ที่การร่วมแรงร่วมใจของพวกเราที่เป็นปปลูกหลานของแผ่นดินแม่ที่ช่วยรปกปากรักษาแล้วก็เห็นคุณค่าคนที่อยู่ข้างนอกเขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาเห็นทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีชีวิตเห็นแผ่นดินเห็นแผ่นดินมันมีแต่แร่ธาไม่มีชีวิต เวลาเห็นน้ําก็นึกแต่ว่าเป็นทางระบายของเสียไม่มีชีวิตเวลาเห็นต้นไม้ก็เป็นสัตว์แต่ว่าสูงที่รอการตัดเพื่อทํำกาไรไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตัดต้นไม้จะทําให้ลำห้วยเป็นทิศจะขุดดินแราชาติจากพื้นแานดินขอก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะสิ่งสําคัญเนี่ยเขาถือว่าเงิน สำคัญที่สุดคนยุคนี้เนี่ยนะเห็นเงินเป็นพระเจ้าเห็นเงินเป็นสารณะเพราะฉะนั้นพร้อมจะตัดต้นไม้เพื่อเอาไปขายพร้อมที่จะทําลายลำห้วยลําธานด้วยสารพิษจากโรงงานพร้อมที่จะปล่อยท้องเสียให้ใสายต า, าพร้อมที่จะขุดแรกค่าจากพื้นดินเพราะมันไม่มีชีวิตเพราะฉะนนั้เข้าใจว่า สืบะตากันทำไมเพราะพวกนี้มันไม่มีชีวิตตั้งแต่แรกแล้วแต่คนไทยทิชอบพวกนี้เราไม่คิดแบบนั้นดัะนั้นเราไม่มีประเพณีลอยประทงประเพณีเรากรงคือประเพณีอะไรขอขมาแม่คงคาแ ต, แต่ตลอดทีเราอาจจะทาสิ่งไม่ดีให้กับแม่น้ำบางบ้วย ทิ้งขยากหรือแม้แต่ชนะีลงไปในลำห้วยอย่าง้องมีวันหนึ่งในหนึ่งปีที่เราขอขมาแม่ผมคาด้วยกันรอยประทงนะอั น, นี้มันเป็นติดสํานึกเป็นติดวิญญาณคนไทยที่รู้สึกว่าธรรมชาติมีชีวิตเที่ยต้องเคารพต้องหวงแหงต้องรักษาหลวงพ่อคํามาหรวงพ่อคำเขียนะ ท่านเล่าว่าตอนเด็กๆ เ, เนี่ยท่านเอาวัวเอกควายไปเลี้ยงเวลาควายไปเลี้ยงเนี่ยคายก็ชอบไปเล่นน้ํา <c oughs> เล่นหนองหน้าที่ของเม็ปเล่นควายก็ต้องเอาเมือเนี่ยนะสาดน้ําให้ควายเพื่อระบายความร้อนควายมันชอบน้ําบางทีท่านไมอยากใช้มือแนละ้วท่านใช้เท้าแตะน้ําเพื่ อ, อให้ควายเนี่ยมันได้น้ํา ผู้ท้าวก็ว่าว่าอย่าทำมันไม่มันไม่ดีใช้เท้าเตะน้าเนี่ยมันไม่เคารพน้าต้องใช้มือเวลาจะเล่นน้ำเนี่ยฉี่ในน้ำก็ไม่ได้นะผู้ท้าวผู้ใหญ่ผู้ท้าวผู้ใหญ่ก็บอกว่ามันไม่เคารพแม่น้ำอย่าฉี่ในน้ำอย่าขี้ในน้ำนะเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะที่เคารพธรรมชาติเพราะรู้สึกว่าหรือเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ย แม้แต่ไม่ว่าจะลำห้วยต้นไม้ภูเขามีชีวิตมีจิตวิญญาณเพราะเคารพธรรมชาติเนี่ยนะเราจึงไม่ที่จะทำลายในนามของการพัฒนาเราจะไม่เห็นเงินเป็นใหญ่แต่คนสมัยนี้เอาเงินเป็นใหญ่ธรรมชาติก็เลยตายเป็นสิ่งรองรัก ความโลภของมนุษย์และสิ่งที่ทําให้ความโรคของมนุษย์เน่มันเจริญงอกงามได้ก็เพราะการมองว่าธรรมชาติไม่มีชีวิตธรรมชาติเป็นแค่ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแค่ทรัพยากรที่เอามาขายเพื่อแลกเป็นเงิน ในความทีดเรื่อทรัพยากร น, นี่มันไม่มีในหมู่ในในความที่คนไทยสมัยก่อนนะเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีชีวิตมันไม่ใช่ทรัพยากรมันไม่ใช่แค่แหล่งแร่ธาตุนะดังที่ญาติยโยมทําในวันนี้เนี่ยนะมันเป็นการทําที่สวนกระแสะกับความคิดของ สมัยใหม่สมัยปัจจุบันที่มองว่าธรรมชาติได้มีชีิตเป็นแค่ทรัพยากรที่จะตัดตัวมาใช้อย่างไรก็ได้แต่ละพอเห็นธรรมชาติว่าเป็นแค่ก้อนวัตถุเป็นทรัพยากรแล้วเนี่ยสุดท้ายทำยังไงก็ตักตวงทําลายธรรมชาติเกิอดอะไรตามมาเกิดมลภาวะ เกิดความขาดแคลนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเพราะว่าตาัดป่าทำลายภูเขาแล้วใครเดือดร้อนนะก็พวกเราไน่หละก็จะเดือดร้อนตอนนี้เนี่ยาการที่พวกเราพยายามที่จะปกปักรักษาแผ่นดินเดิ ปกปักรักษาธรรมชาติปกป้องชุมชนของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่มีความตระหนักรู้คุณ เ, เราถือว่าแผ่นดินนี้เป็นที่เราเป็นที่ที่เราฝังร ก, ก ร, างราก็าตั้งร ก, กรากฝังร ก, กรากเนี่ยมันแปลว่ามัแปลว่า เราเกิดที่นี่คนสมัยก่อนเนี่ยพอเกิดแล้วเนี่ยก็จะมีสายรบเขาก็จะตักสายรบแล้วก็ฝังดินนะเขาเรียกว่าฝังรบตอนหลังก็เติมมาเป็นฝังรบกล้าหรือว่าต้านรกล้าพื้นที่ดินแห่งนีน้มันเป็นที่เกิดของเราหรือบางคนไม่ได้เกิดที่นี่แต่ว่ามาเติบโตที่นี่มาสร้างเพื่อสร้างตัวที่นี่ก็ถือว่ามีบุญมีบุญคุณแผ่นดินมีบุญคุณก็ต้องรักษาวไว้ อันนี้เราจะรักษายอย่างไรจะปกป้องอย่างไรนะก็มีวิธีเดียวก็คือนะร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ใช้สันติวิธีใช้สันติวิธีนะซึ่งหมายถึงการที่จะยอมนะเอาตัวเนี่ยเข้าปกป้องที่ประเทศอินเดียเคยมี เมืองเมืองหนึ่งยกวเป็นรักดีกว่านะั้นบริษัททําไม้ได้สัม ป, ปทานที่จะตัดป่าในเขตที่เ ร, รยีกรรยกว่รรกปาปิมากจันประเทศปีมาจันประเทศมําชื่อรัก น, ะ น, นั้นในปา่าเนี่ยนะป่าถื้นนั้นเนี่ยมันเป็นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยปลูกพันธุ์มากเพราว่าชาวบ้านเนีพึ่งดินป่าเมื่อบริษัททําไม้จะมาตัดไม้เนี่ย ชาวบ้านไม่ยอมชาวบ้านก็จะลุกขึ้นมาคัดค้างชาวบ้านไม่มีกำลังชาวบ้านไม่มีเงินไม่มีอำ น, นาจแต่สิ่งที่มีคือใจสิ่งที่มีก็คือความเสียสละเอาบริษัททาไม้เอาไม้มาตัดจะเอาเรื่อยมาตัด ชาวบ้านทำยังไงรู้ไหมชาวบ้านเอาตัวไปโอกกอดเอาไว้โอบ ก, กอดต้นไม้ไว้ไม่ยอมให้ตัดเพราะถ้าจะตัดต้นไม้ก็ต้องตัดร่างกายก็ให้ขาดไปด้วยชาวบ้านเอาตัว่ขวางเอาตัวปกป้องตงน้นไม้เพราะพึ่งต้นตัวมีแค่นี้แหละไม่มีเงินไม่มีความรู้ไม่มีอำนาจไม่มีเชื่อสายแต่มีตัวและใจนะก็ตัวนี้ ปกป้องต้นไม้ขวางเลื่อยไว้บอก ว, ว่าเขาเลื่อยไม่ได้เพราะว่าถ้าเลื่อยต้นไม้ก็ต้องเลื่อยคนให้ขาดด้วยต่อหลังก็มีคนทำแบบนี้เยอะขึ้นนะ <c oughs> ก็เลยเกิดกระบวนการที่เรีว่ชิทโก้ <c oughs> ชิทโกแปลว่าโอบกอดโอบกอดคือ <c oughs> โอกกอดต้นไม้ไม่ให้ตัดแล้วก็ทำกันอยู่หลายปีนะต้องรัฐบาลก็มาจับตํารวจก็มาเอาเข้าคุก ชาบ้านที่เหลือก็ไม่ยอมเลยเพราะผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงนี่จะเป็นกำลังสำคัญมากโปกอดเอาไว้นตอนอจนทั่งสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นศึกษสทั่วประเทศคนก็มาให้ความสนใจว่าทำไมถึงผู้คนแถวนะั้นถึงยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องต้นไม้ต้นไม้มันมีคุณค่าเพียงขนาดนั้นหรือ ต้นไม้มันไม่มีชีวิตไม่ใช่หรือต้นไม้มันจนเพียงแค่สุ่มที่รอ ก, การตัดไม่ใช่หรือทําไมคนเนี่ยถึงยอมเอาตัวเข้าแลกเพื่อปกป้องต้นไม้แสดงว่าต้นไม้มันต้องมีค่ามากมันก็เป็นการปลูกจิตสํำนึกผู้คนให้ตื่นตัวว่าป่าหรือต้นไม้เนี่ยมีค่ามากป่านี่มันใช่ให้แค่ไม่ได้เป็นสุ่มที่จะผลิตเงินให้เงิน แต่มันให้น้ําและอากาศด้วยคือมันให้ชีวิตนะไอกระบวนการโขก่อนมันก็เลยแทร่หลายและสามารถจะรักษาป่าและก็รักษาชุมชนเไว้ได้เงื่อที่หลายหมืน่นหลายหมื่นได้นะตอนหลังพูดนํากระบวนการเนี่ยศุนเดลางก็บางเมงไทยบางเมงไทยเมื่อที่เมื่อ20กว่าปีก่อนแล้วก็มาสนทนากับพระครูท่านหนึ่ง ที่จังหวัดพยาวพรพครูมาณฑ์นาทีพี่ทักทำไมมาเยี่ยมพระครูท่านนี้เพราะว่าถ้าเป็นคนแรกที่เริ่มการบวต้นไม้นะเได้นะเคยไดนะบวชต้นไม้บวชป่มามาจากพระครูท่านเนี่ยปัญหาใได้กันคือว่าบริษัททำวมาจะมตาตาัดป่ตามาตัดต้นไม้ ชาวบ้านเนี่ยก็ผูกพันป่ามากเพราะป่าเนี่ยเหมือนกับเป็นเซ1ีรของชาวบ้านนะป่านี่เหมือนกับท่าสรัพสินทัง้งหวบ้านทุกอย่างเนี่ยหาได้จากป่าอาหารปัจจัยสี่รวมทั้งน้ำและอากาศแลนนี่รัฐบาลในห้สัมปทานบริษัททำไม้มาตัดชาวบ้านไม่ยอมถ้าก็เป็นผูน้นำทำยังไงนะใช้ที่แบบพุ้นนั้น ก็คือเอาจีวรมาผูกทำพิธีเก็บต้นไม้บวชทำไมก็เพื่อเชี่ยคนเห็นว่าต้นไม้เนี่ยมันมีค่ามีความสูงส่งพอผล พ, พ, พอที่จะเลือกพอผู้ควนกับจีวรคนไทยเด้วยจีวนของสูงตามที่เอาของสูงของศักดิ์สิทเนี่ยมาผ่นร บ, บ, บ, บ, บตัดงบหลบตมาเสริมพระต้นไม้เป็นสิ่งมีค่า เป็นของสูงเหมือนกันไม่ใช่เป็นแค่สูงที่รอ ก, การตัดเอาไปทําเป็นกาไรมันเปลี่ยนความคิดคนแล้วว่าต้นไม้ไม่ใช่สิ่งไร้ค่าต้นไม้เป็นสิ่งมีค่าพิธีบวชเนี่ยไม่ได้บวชแต่คนเย่างเงบวชต้นไม้ซึ่งที่นี้คือเป็นการทําบุญต้นไม้นะมันก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยลขึ้นมานะปลอกปากก็าปป่าก็ถือว่าป่านี่นะมีค่า ยิ่งปวดต้นไม้แล้วเนี่ยจะมตัดไม่ได้ก็ตอนหลังพิธีปวดต้นไม้ก็เลยแพร่หลายไปทั่วนะสุนทรลานก็มาคุรกับพระครูมาได้ในที่นี้ทักคน อ, อกก่ อ, ก ต, อต้นไม้หรือคนปวดต้นไม้อันนี้เนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างของคนที่พยายามปกป้องรักษาธรรมชาติรักษาป่ารักษาแผ่นดินเกิดรักษาอสุมทรของตัว โดยวิธีการสันติวิธีโดยอาศัยประเพณีที่จรการโอบกอดเนี่ยมันเคยทํามาก่อนแล้วเมื่อร้อยปีที่แล้วผู้หญิงเน้โอบกอดต้นไม้เมื่อร้อยปีที่แล้วแต่โอบแล้วตายนะเพราะว่ามหาราชาที่ต้องการต้นไม้นี่ไม่สนใจไม่สนใจนะแกจะโอบกอดโอบกอดไปแทนก็เอาเอาเอาขานมาฟัน ฝันทั้งคนฝันทั้งต้นม้เนี่ยร้ยปีเนี่ยคนตายเพาะอกกับต้นไม้แต่ว่าเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าสื่อมวลชนจับจ้องดูนะจะเอาคนจะเอาเลื่อยไปเลื่อยเลือยต้นไม้โดยผ่าด้านคนเนี่ยมันทําไม่ได้พื้นฐานก็ออกลายเป็นเรื่องอื้อฉาว ในอเมริกาเนี่ยนะเขาปกป้องต้นไม้ยังไงนู่นนะไม่ใช่อกก่อยยืนอย่างเดียวนะเขาขึ้นไปบนต้นไม้เไปนอนค้างบนนั้นเลยต้นไม้มันใหญ่มากในอเมริกาเนี่ยหลายคนที่รักต้นไม้เนี่ยเขาขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ไปนอนบนนั้นเลยนั้นกินนอนบนนั้นเลยมีคนส่งอาหารส่งเสบียงขึ้นไปมีการชักรอบขึ้นไปบริษัททํำให้ในชาติต่างเขาชักบนต้นไม้นะ คนที่ม้วนต้นไม้ก็ตกาตายก็ตกมาตายก็เป็นเรื่องถึงแม้ไม่มีเจตนาเลแต่ว่าถ้ามีคนตายก็ ต, ตัดต้นไม้เนะี่ยมันเลือดร้อนนะมันเป็นคดีมันกลายเป็นข่าวมันกลายเป็นเรื่องเสียหายได้ต้นไม้แต่เสียภาพคนเนี่ยใครจะทำไม่มีใครกล้าทำมันเสียชื่อบริษัทก็ใช้วิธีนี้นะเห็นับว่าเรื่องการปกตัดธรรมชาติรักษาชุมชนเนะี่ย การที่ใช้ประเพณีพิธีกรรมโดยอาศัยสนันทีพิธีเรื่องสำคัญแต่ว่าจะรทำอย่างนี้ได้เนี่ยอย่างที่อยากจะย้ำก็คือว่าอย่าลืมรักษาใจด้วยด้วยนะอย่ามัวแต่รักษาธรรมชาติปกป้องชุมชนแต่ลืมรักษาใจ ใจเราก็สําคัญต้องการการรักษาเพราเวลาเราทําเนี่ยเราปกอ้องชุมชนเนี่ยนะบางทีมันก็มีความโกรธมีความเครียดมีความ ท, ท้อแท้มีความผิดหวังถ้าเราไม่รักษาใจนะไอตัวอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะมามเล่นงานเรานะมันจะทำให้เราเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่ไหลับไปทําให้เรานะ อยู่ไม่เป็นสุขและพอเพราโกรธพอเราเกียนนะเราก็สามารถจะใช้ความรุนแรงสามารถจะไปทำร้ายเขาไปด่าเขาซึ่งก็จะทำให้เกิดผลเสียและตัวเราเองก็จะมีความทุกข์บางคนผิดบามากๆเนี่ยนะถ้าไม่เลิกห้่้อแท้ก็ฆ่าตัวตาย อันนี้เพราะว่าเราไม่รักษาใจของเราการปกป้องรักษาชุมชนมันเป็นงานยืดเยื้อเป็นงานยืดเยื้อแล้วต้องทำทั้งวันทั้งคืนเราอย่าลืมรักษาใจของเราเพราะถ้ารักษาใจของเราใม้เป็นปกติไม่่อยให้ความปวดความเกียรมาบาั่นทอนจิตใจ เราจะมีกําลังทําได้นานเอาจะมีกําลังทําได้นานในงานเนี้ยนะมันจะเหมือนกับไฟให้ฟางทำไปทงไปเนี้ยเครียดผิดหวังโดยพราะปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่เราทำเนี้ยนะเหตุปัจจัมันไม่ค่ อ, อํานวยเพราะว่าตอนที่บ้านเนื้อก็บรรยากาศเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี้ยในการที่เราจะทำ อะไรเนี่ยอาจจะไม่เป็นข่าวกร า, าวคนอาจจะไม่รับรู้บางคนพุ่มเทแต่ว่าไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการก็ผิดหวังก็แท้เครียดเสร็จแล้วบางทีก็ทะเลาะกอันเองเพราะความเครียดเจอเยอะเลยทัานทีแรกจะไปปกปกักชุมชนนะจะต่อสู้กับนายพลมาสุดท้ายมาสู้ออกอันเองทะเลากอันเองเพราะว่าไม่รักษาใจ โกรธเกลียดเครีย ด, ยดใครที่ไม่เหมือนตัวก็มองว่าเป็นคนเราพวกเป็นคนเราฝ่ายนะอันนี้เพราะว่าเราไม่ดูใจของเราไม่รักษาใจนะหรือพิจารณาไปที่โกรธเกรียดคนอื่นไปโกรธเกลียดนคยคุนไปโกรธเกรียดเยดจา้าที่ซึ่งที่จริงเน่เขาควรรักเขาคว ร, รให้ตาเรา ศัตรูของเราเม่ไม่ใช่คนนะศตรงเราคือความโลภสัตรูของเราคืออวิชชาความโลภมันทำให้ธรรมชาติถูกคุกคามเพราะว่าความโลภมันทําให้เห็นเงินเป็นพระเจ้าอวิชชาโมหะมันทําให้เห็นธรรมชาติเป็นสิ่งไร้ชีวิตเป็นแค่ทรัพยากรที่จะตัดตัดตัวเอาไปใช้าหาเงินเอาเม็เมนเงินอวิชามันทําให้ ถือว่าเงินเป็นสารณะไม่ใช่ธรรมชาติหรือคุณภาพชีวิตม เ, เ, มเมื่อเอาเงินไปพระเจ้ามันก็มองข้ามธรรมชาติแล้วก็มองข้ามมนุษย์ข้าหมา ห, มาหมวงพวกเราซึ่งเป็นคนเป็นมนุษย์มีจิตมีใ จ, จอันนั้นเพราะควาิชาแค่ศัตรูของเราเนี่ยไม่ใช่คนนะไม่ใช่ในายทุนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ แต่คือความโลภลือวภิชาคือความหลงและโทระด้วยนะเราจะสู้ควาโลภสู้กับโทสะเราต้องใช้ธรรมะพระเจ้ากรัสว่าเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความโกรธด้วยความให้โกรธเอาชนะความตนหนีด้วยการให้อะไรเรียะชาพุนเนี่ยนะ เราต้องยามเอาชนะความโกรธความโลภความหลงทั้งในใจของคนอื่นแล้วก็ในใจเราด้วยวนนะเราต้องเอาชนะเริ่มต้นเอาชนะความโลภความหลงในใจเราก่อนอาจจะเชนะได้ไม่หมดก็ให้มันน้อยหน่อยให้รู้ทันรู้ว่าตอนนี้กาลังโกรธนะรู้ว่าตอนนี้กาลังเปลียนนะรู้ว่าตอนนี้กําลังโงโหนะรู้แนละ้วเนี่ยมีสติ สติมันช่วยรักษาใจไม่ให้ความปวดความเครีดมันครอบงำใจเพราะถ้าเราปล่อมันครอบงำใจนะสุขภาพเราก็แย่เราก็นอนไม่หลับและเราก็จะมีเรื่องมีปัญหากับคนรอบตัวบางคนทํางานเยอะก็มีความขัดแย้งคนในบ้านพ่อไม่เข้าใจแม่ไม่เข้าใจลูกไม่เข้าใจผัวไม่เข้าใจเมียไม่เข้าใจ นะยิ่งโกรธยิ่งเจ็บเข้าไปยิ่งเพราะยิ่งขัดแ ย, ย, ย้งกับวิญญานะแค่นี้รนะักษาใจเราไว้การรักษาใจก็จะเป็การรักษาสุขภาพทําให้ให้เจ็บไม่ป่วยง่ายทําให้มีกําลังที่จะทํางานต่อไปถึงว่าจะนอนก็นอนหลับไม่ใช้อามือการท่าทางนอนไม้หลับจนเครียดต้องกินยานอนหลับ ปกปักทุนทนแต่ว่ตัวเองเนี่ยไม่รักษาตัวเองเลยที่มันไม่ถูกนะนั่นั้นอยากจะเน้นว่าเนี่ยอย่างเราต้องทำสองอย่างไปพร้อมๆกันนะคือปกปักทุนทนแล ะ, ละรักษาใจเราไปด้วยมันจะทําให้เราทําได้นานแล้วก็จะทําได้ดีถ้าเร า, ารักษาใจเราเราจะทำไม่ได้นาน ได้เราใส่ทำไม่ได้ดีเพราะว่าเราเครียดนอนเหนื่อยเราะห์หรือแม่ก็ไปทะเลาะกันขัดแย้งคนในบ้านขัดแย้งกับคนต่างหมู่บ้านหรือไม่ก็ไปทกกนนําทํ า, าททสิ่งที่เกิดความเสียหายเพราะโกรธเกียรติแต่ทุนโกรเกียรติกกรเจ้าหน้าที่ไปถ่าว่าเขาไปทำลายครอบครองเขาไปทุบตีเขาเนี่ยเสียหายมากเลยเราจะทําสันติสิทธไม่ได้ ถ้าเราไม่รักษาใจเราและถ้าเราไม่ใช้สันติวิธีนะคนที่เห็นด้วยกับเราก็จะมีน้อยแต่ถ้าเราใช้สันติวิธียอมเสียสละยอมที่ตัวคนที่เห็นด้วยกับเราจะมีมากขึ้นคนที่เห็นใจเราจะมีมากขึ้นการเปลี่ยงชุมชนเนี่ยในกวัาสตร์ไทยนะในช่วง 20-30 ปีผ่านมาก็ได้ มันทำได้เพราะมีเราร่วมทั่วประเทศคือนับโจรเนี่ย้ามคือนับโจรนเื็นที่ใหญ่มากในเอเชียเมื่อสามิปีที่แล้วนสกัดได้กปกป้องคัดค้านได้เพราะว่ามันเป็นภาสาทั่วประเทศที่ไหนก็ตามเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยาการปกปกรักษาสุมชรท้องถิ่นสำเร็จได้เพราะ มีแนวร่วมทั้งประเทศและที่เราลดทุนได้หรือไม่ได้เพราะเราใช้สันติวิธีแะที่เราใช้สันติวิธีได้เพราะว่าเรารู้จักปะข้างใจไม่ให้ความโกรธความเกลียดครอบงำและที่เราใช้สันติวิธีได้ต่อเนื่องเพราะว่าเราให้ทเลาะกันเองที่เราได้ทเลาะกันเองเพราะว่าเ ร, เราดูแลรักษาใจไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่ให้ขแย้งกันกโอเคไปฝากไว้ว่า การที่เราจะรักษาชุมชนได้ปกป้องแผ่นดินเกิดมันต้องทำพวกผู้ไปกับการปกป้องรักษาใจของเราการปกป้องรักษาแผ่นดินเกิดเป็นหน้าที่ของเราไม่ว่าทำจิตก็การสวิตจอดจารแต่ว่าอย่าลืมการทำจิตจิตก็คือใจอนะต้องทำพห้อมกันทำจิต ด, ด้วยความจิต ด, ด้วย ปกปักรักษาชุมชนข้างนอกแล้วก็ปกปากรักษาใจใจใ้แดนผะู้เจ้าเปลีเป็นอนัรนะเป็นเมืองเหมือนกันนะเป็นชุมชนเหมือนกันเยอวจิตตัณะรก็คือเมืองที่ชีวิจิตเราต้รัาษาเมืองที่อยู่ข้างในในือจิตตัณะพรไว้โดยมีสติโดยมีความเมตตารู้จักให้อภัย เพราะว่าถ้าเรามีไม่ตาแห่ไป ค, ความปวดความเรียดมันก็รัดครองจิตใจเาไม่ได้จิตใจก็จะข่องใสแมนะ้แต่าทางานหนักแม้แต่ต่อสู้ยื่ดเยื้อแต่ว่าจิตไม่ป่วยกายก็สุขสบายแล้วก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความกลมเกียวสมรสมาสมามัีกันและความสิ่งที่ถูกต้องการทวามสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งสาคัญนะ เราจะสู่ความไม่ถูก ต, ต้องรรเร า, ร ต, รเรารต้องใช้ความถูกต้องเข้าสู้เราจะสู่ความโกรธต้องใช้ความไม่โกรธเราจะสู้ความชั่วต้องใช้ความดีเราต้องตั้งอยู่ใความถูกต้องให้ได้จะสู้ความไม่ต้องต้องใช้ความถูกต้องเพราะฉะ้รักษาใจของเราเนี่ยให้อยู่บนความถูกต้องอยู่บนธรรมะนั่นเองนะครัพวกเราก็มีหลวงพ่อนะแล้วก็มีคุณเจ้าหลายท่านเนี่ยที่ อ่าจะเป็นที่พึ่งในทางทจิตใจเจริญให้เราเนี่ยมีสติเจิญให้เราตัง้งมั่นในเรื่ความถูกต้องธรรมะเจริญให้เราเอาชนะความโกรธเจริญความไม่โกรธเอาชนะความช่วยเจริความดีเอาชนะความเต็มใจในาการให้และถ้าเราให้คงในธรรมนะความถูก ต, ต้องจะนำพาเราไปสู่ความาสําเร็จในที่สุด ก็ขอฤติติตท่านนี้นะก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านได้ดูเย็นใจสุขขอ้ได้ความสิทธิอันเป็นหน้าที่ของเราเพื่อติตใจที่ช่้นชีวประการขอให้มีความสุขเกงสารแม้ว่าจะสุขประสาทเพลงใดก็ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยสายธรรมะที่มีในใจเราและด้วยความสนุกทีสนับสมานในหมู่พวกป้องของเราขอให้สิ่งที่เราทํำนั้นสงประสบความสําเร็จ เพื่อปกปักรักษาให้เกิดชุมชนของเราและช่วยทำให้ธรรมชาติได้มีามอายุยืนดานเพื่อเป็นที่พึ่งกับุูกหลาของเราสืบไปด้วยเถิด